279้27แมบโลกีนั้นการพ้นทุกข์ก็คือสุขในปัจจุบันนั่นก็คือมีแต่การพ้นทุกข์ชนิดที่เป็นสุขเพราะจิตใจได้บำเรอกิเลสให้อ้วนให้หนากันไปอยู่เท่านั้นแม้แต่ที่เป็นภิกษุหรือเป็นครวาดก็พ้นทุกข์ที่อาศัยลาภยศ สรรเสริญสุขที่หลงอยู่ในภพชาติเช่นเดียวกันซึ่งในทิฏฐิ62พระพุทธเจ้าจัดการพ้นทุกข์หรือการมีสุขโลกีนี้ยังถือว่ายังเป็นอุปาทานอยู่ทั้งนั้นเพราะแม้แต่ที่หลงยึดเป็นสุขในปัจจุบันธรรมทิฏฐธรรมอันได้แก่กามคุณห้า กับชาญหนึ่งชาญสองชานสามชาญสี่ก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองเสพเสเวยกันอยู่เป็นบรมสุขประมังสุขขงังเป็นปัจจุบันกันอยู่ทั้งภิกสุทั้งคารวาททั้งหลายโดยหลงว่านี้คือความพ้นทุกสนิทสนม ไม่มีประโตโคสะกันอีกแล้วแม้โยนิสโสมนัชิการก็ได้แค่การพิจารณาที่ยังไม่เข้าถึงความเป็นกายเบื้องต้นเลยยังมิฉาทิฏฐิกันอยู่แม้คำว่ากายในความเป็นกายแล้วเวทนาจิตธรรมจะสัมมาทิฏฐิกันได้อย่างไร โลกุตระธรรม37คือโพธิปักกิยธรรม37จะสำ ม, มาทิฐิได้อย่างไรโลกุตระธรรม9้าจะมีมาแต่ไหนศาสนาพุทธก็คงจะฟรุ้งฟริงและเบิดเถิดเทิงไปเป็นมิจฉาทิฐิไปทั่วโลกเพราะสนับสนุนมิจฉาทิฏฐิกันอย่างเอาจริงเอาจังกันมากกันจัด กันหนักหนาะสาหัสอยู่จริงๆคนทั่วไปก็ดีหรือพระบ้านก็ดีก็พลทุกข์ด้วยสุขที่หลงอยู่ในกามบัญญเป็นส่วนใหญ่หลงสุขในภพเป็นส่วนรองตามทิฏฐธรรมนิพานทิ่ถิข้อหนึ่งพระไตรปิฎกเล่ม9้าข้อห้าสิบ แม้จะเป็นพระป่าซึ่งก็ยังไม่พ้นกามสุขขันลิรืการหรอกเพราะปฏิบัติแบบไม่มีสัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายกันอย่างสัมมาทิฏฐิซึ่งไปหลงสุขหนักอยู่ในภพหรือหลงว่าพ้นทุกข์ด้วยสุขที่หลงอยู่ในรูปราวจรอรูปราวจรส่วนกามาวจรก็ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรูจงร้จริง ก็หลงอยู่เท่าที่จะพอมีการกดข่มไปได้กับมีฮิริโอตปะของแต่ละท่านตามทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิข้อ 2-5 ถึงพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ50แม้ภิกษุรหรือผู้ปฏิบัติทุกวันนี้จะแน่ใจว่าตนได้รับสุขที่เกิดจากความสงบ ก็เป็นเพียงแค่สงบแบบโลกีในภพอย่างแค่สงบที่ไม่ใช่แบบอาริยะเป็นโลกุตระ